การจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างการจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างเป็นชไหนคือ 1. อธิกรไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย 2. ลุกลามไปไกล 3. ภิกษุพวกนั้นระลึกได้เองและพวกอื่นก็ให้ระลึกได้ 4. รู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า 5. รู้ว่าฉไนธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 6. รู้ว่าสงจักไม่แตกกัน 7. รู้ว่าฉไนสงไม่พึงแตกกัน 8. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยชอบธรรม 9. ธรรมวาทีภิกษุพร้อมเปรียงกันจับสิบ จับตามความเห็นการจับสลากที่ชอบทำสิบอย่างเหล่านี้เยพุยสยิกาจบ